ลำดับที่เอเมื่อวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสอง2ัห้โดยพระขัญชิตคุณอวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวสกวันจังหวัดนครปฐมการศึกในวันนี้จะเป็นการฝึกในฝ่ายของ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 การฝึกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแั้สมาธิคืออะไรอธิบายไปให้ฟังไปแล้วนะจาได้ไหมจาได้นะคืออะไรเอ่ยภาวะจิตที่สงบตั้งมั่นไม่สั่สายไม่คุ้งซ่านสมาธิเมื่อนขณะฝึกให้ลองสังเกตดูสภาพจิตต้ตองมีลักษณะสี่ประการเกิดขึ้นสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งเข้มแข็งมีกาลังสอง สงบนะสงบตั้งมั่น 3, สามใสกระจ่างสี 4, นุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานอ้าวดีแล้วนะในการฝึกนี้นะก็มีศัพที่โยมจะต้องเข้าใจทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะพั์อย่างแรกก็คือวัตถุที่เราจะใช้สังเกตนะยกตัวอย่างเช่นเวลาโยมฝึกอนาปนาสติโยมสังเกตอะไรเอ่ย ลมหายใจลมหายใจคือวัตถุที่โยมจะใช้สังเกตใช่ไหมหรือคนที่ฝึกโดยอาการยุบผองโยมก็ดูอาการยุบพองที่เกิดขึ้นอาการยุบพองนั้นก็คือวัตถุที่โยมใช้สําหรับสังเกตเข้าใจนะอันวัตถุตรงนี้ภาษาธรรมะจะใช้ชื่อว่าอารมณ์กรรมฐานคําว่าอารมณ์ในที่นี้จึงหมายถึงอ็อบเจกต์หรือวัตถุหรือสิ่ง สิ่งที่เราจะสังเกตเพื่อเอามาฝึกไม่ใช่ฝึกแล้วอารมณ์กรรมาฐานก็คือมีฝึกแล้วรู้สึกยังไงเกิดเห็นอะไรอันนั้นไม่ใช่นะนั้นอารมณ์กรรมาฐานคือวัตถุหรือสิ่งที่เราใช้สังเกตอ้าวสงสัยไหมตรงนี้งั้นต่อไปเมื่ออาจารยพูดถึงอารมณ์กรรมาฐานให้โยมเข้าใจนะงั้นในขณะที่โยมเคลื่อนไหวโยมดูรูปร่างของแขนหรือของขาที่กําลังเปลี่ยนอารมณ์ของกรรมาฐาน ของโยมคืออะไรเอ่ยแขนขารูปร่างแขนขาที่กำลังเปลี่ยนใช่ไหมนั่นคืออารมณ์กรรมฐานเข้าใจนะอย่างที่สองอาการใจของโยมที่น้อมมาน้อมมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากําลังทําเห็นถึงความสําคัญมีความเชื่อมั่นอาการอย่างนี้ภาษาธรรมะจะมีชื่อเรียกว่าศรัทธาศรัทธา ความเลื่อมใสอาการน้อมใจมาความเชื่อมั่นอาการเห็นคุณค่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามอาการอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาคราวนี้ถ้าเราเห็นคุณค่ารู้สึกว่าเรากาลังทาสิ่งที่ดีงามยมจะรู้สึกยังไงเอยเวลาปฏิบัติมีความสุขและอยากทำใช่ไหมอาการอย่างที่สามอาการที่เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทาเพียรพยายามในการทามีกำลังใจคอยเรา้าคอยประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานให้อยู่กับสิ่งที่ทํนะมันเผยออกไปสามารถเดินกลับได้โดยไม่ท้อถอยเลยนะไม่ระยอไม่ท้อถอยนะออกไปร้อยครั้งดึงร้อยครั้งออกไปพันครั้งดึงพันครั้งมีกำลังใจใจสู้อาการอย่างนี้เป็นอาการของของอะไรเอ่ย วิริยะนั่นเองเข้าใจนะเพราะฉะนั้นโยมฝึกใหม่เนี่ยลองสังเกตเนี่ยบางทีเขาออกไปสักสิบครั้งยีิบครั้งชักทอ้อละเมื่อไหร่มันจะสงบทำามไม่สงบนี่อาการขาดวิริยะนะเพราะฉะนั้นถ้ามาถามอาตมาอาตมาก็คงจะตอบโยมนะบอกไว้ก่อนเลยนะจะได้ไม่จะได้ทราบไว้ก่อนเลยนะว่าให้โยมมีความเพียรในการทําไปเรื่อยๆนะเพราะอาการอย่างนั้นก็คืออาการขาดวิริยะนั่นเองนะ อาการอย่างถัดมานะคืออาการที่โยมคอยนึกคอยระลึกคอยจับไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอาการนึกระลึกคอยจับภาวะที่กําลังเกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่ า, เ ร, วานะเรียกว่าสตินะเรียกว่าสตินะพอนึกอาการมันออกไหมมันอาตมาพูดคําพูดปุ๊บนึกโยมต้องนึกอาการให้ออกนะคืออาการแบบนี้ อาการอีกอย่างหนึง่งถ้าเราทําได้ดีตอนนั้นนะพอจับปุ๊บมันจะอยู่ปับ๊บนะจับปุ๊บมันก็จะอยู่มันไม่ซัดสายไม่พุ่งสร้างออกไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปตลอดตอนนั้นเนี่ยความคิดมันจะไม่วิ่งเลยนะมันก็จะอยู่นึกแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวสงบเรียบไปกับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวมีภาวะที่สงบตั้งมัน่นไม่แส่สายไม่คิดออกไปสู่เรื่องอื่นเลยอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการของสมาธิ เข้าใจนะและโยมจะเห็นว่าโยมจะต้องน้อมจิตยอย่างไรจะต้องสังเกตยอย่างไรมีความเพียรแค่ไหนผ่อนแค่ไหนใจโยมถึงจะสงบโยมจะจําหมายอาการอย่างนั้นไว้ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการที่เรารู้ว่าต้องเพียรแค่ไหนต้องผ่อนแค่ไหนต้องละลึอกอย่างไรเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเราเรียกว่าปัญญาเข้าใจนะ มันฟังจากอาตมาอย่างเดียวอย่างนี้ปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดหรอกต่อเมื่อโยมลองทำแล้วทำได้จริงๆนั่นแหละจริงๆเรียกว่ารู้จริงๆเข้าใจนะเอานะเพราะฉะนั้นหนึ่งโยมได้รู้จักแนละ้วอารมณ์กรรมฐานคืออะไรและองค์ประกอบฝ่ายจิตใจอีกอีก้าตัวที่จะถูกฝึกขึ้นมาในขณะที่โยมปฏิบัติได้แก่หนึ่งก็คือศรัทธาสองวิริยะสามสติ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 ขาดศรัทธานะใจมันไม่น้อมมามันไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญใช่ไหมใช่มันถึงไม่อยากทำไงมันถึงไม่อยากทะอันนี้เราเรียกว่าขาดศรัทธานะขาดศรัทธาแล้วตโยมว่าอืม้มวันนี้ฉันอยากทำแต่ทำไปแล้วเหนื่อยเบื่อง่วง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 ขณะที่กําลังปฏิบัติอยู่นึกขึ้นมาโอ้หนังเรื่องนี้สนุกไปแล้วโอ้เรื่องนี้สนุกเนืต้องไปดูหมาไปดูกับคนนั่นกับมันไปดูกับตอนนี้ก็มัน <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วโอ้ตอนนั้นไปดูแล้วไปกินอาหารร้านนั่นมามันอร่อยจังเลย <c oughs> นะหรือเสร็จแล้วเราไปเที่ยวต่อกับเพื่อนมนองงันสนุกอย่างนั้นสนุกอย่างนี้นั่งอยู่กําหนดได้แค่นาทีแรกอนั่งสิบห้านาทีนาทีแรกกาหนดได้อีกสิบสามนาทีที่เหลือไปแล้วนะไปเที่ยวละ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 อาการอย่างนี้นคืออาการขาดสติคือไม่สามารถนึกไม่สามารถระลึกหรื อ, รอไม่สามารถกําหนด <_ han> สิ่งที่เราควรทําในขณะนั้นได้มันสิ่งที่ตรงข้ามกับสติก็คืออาการหลงลืมเนี่ยวันอาการที่อาตมาบอกเมื่อกี้คือลืมใช่ไหมลืมว่าตอนนั้นตัวเองกําลังทําอะไรอะไรคือหน้าที่ของตัวเองในขณะนั้นนั้นนะวันสติก็จะตรงข้ามกับการหลงลืมนสติไม่ได้ตรงข้ามกับการเบื่อหน่ายนะ แล้วก็ไม่ใช่ตรงข้ามกับการที่เราไม่มีศรัทธาด้วยนะสติตรงข้ามกับการหลงลืมแต่ถ้านั่งไปแล้วกําหนดโยมบางคนพยายามกําหนดแต่มันไม่ค่อยอยู่มันคอยสั่ชสาอยู่ตลอดนึกไหมนึกและลึกไหม ล, ลึกแต่มันไม่สงบมันมีอาการสั่ชสาอยู่ตลอดอาการอย่างนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดสมาธินะขาดสมาธิมันโยมลองสังเกต บางวันนี้เราเนึกอยู่นะเนึกแล ะ, ละระลึกถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่ว่ามันไม่สงบอาการอย่างเงี้ยสมาธินีคือกำลังสมาธิมันขาดคนที่มีอาการอย่างเงี้ยต้องให้ฝึกสมาธิเยอะๆเลยต้องฝึกสมาธิเยอะๆจะได้เพิ่มสมาธินี็คือกำลังของสมาธิอินรีคือสมาธินี้ขึ้นมาแต่ถ้าทำแล้ว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 มันที่เห็นนั่งชิดนิ่งๆกับเดินไปเดินมาเนี่ยฝึกเยอะเลยนะเดี๋ยวลองดูก็ได้แล้วยมจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่ยมกําลังขาดอยู่ในอินรี่ห้านี้เดินไปเดินไปใจนึกพ่อนนึกไปแล้วลืมสแสดงว่าขาดอะไรเอ่ยขาดสตินะให้รู้ว่านั่นแหละตัวเองนะขาดสติอยู่นะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองจ ะ, จ ะ, จะต้องฝึกให้เยอะเลยนะเดินไปทําไปได้สักพักเนะี่ยทำไปได้ห้านาทีสิบนาทีเบือ่อรั้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 ห้าประการมีอะไรบ้างนะหนึ่งรักษาศีลคือสำรวมระมัดระวังกายวาจาของเราทั้งในแง่ของการรับรู้โลกและการแสดงออกต่อโลกเลือกรับในสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลและแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลอ ย, อยากจะให้โยมลองสังเกตดูนะวันไหนโยมมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจเยอะไม่ว่าในทางชอบใจหรือไม่ชอบใจก็แล้วแต่วันนั้นเวลาโยมมานั่งสมาธินี่จะไม่สงบ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 แต่ถ้าไปดูหนังดูละครคุยกับเพื่อนเฮฮานะพวกวันนั้นมานั่งเนี่ยไอเรื่องคุยกับเพื่อนนะเต็มไปหมดเลยนะมันชิงขึ้นมากวนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งก็เหมือนกันเรื่องทะเลาะเบาแว้งมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างวันนั้นเราขาดศีลนั่นเองมันอันนี้จําเป็นนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือโยมมีความสํารวมระมัดระวังในการฝึกในการปฏิบัติไหมในขณะที่โยมกําลังฝึกหรือในขณะที่โยมกําลังปฏิบัติ ถ้าโยมมีความสำรวมในการฝึกคอจับขณะนั้นก็เรียกว่าเรามีศีลเช่นเดียวกัน น, ะนั้นศีลคือความสำรวมระมัดระวังในลักษณะอย่างนี้สำรวมในการกำหนดอารมณ์กรรมาฐานนะสำรวมในการพิจารณาสำรวมในการน้อมจิตมานะถ้าโยมมีความสำรวมอย่างนี้จิตโยมจะสงบได้ง่ายนะอ่านนะนั้นอย่างแรกต้องมีศีล น, นะนั้นอย่างตามที่สุดคือศีลห้านะ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 เช่นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องงานที่เราค้างหรือแม้กระทั่งการศึกษาที่เรายอมทำไม่สำเร็จพวกนี้ถ้าจะมาฝึกให้ยอมทิ้งให้หมดเลยวิธีการอย่างง่ายๆทำอย่างไรนะเขียนจดลงบนในสมุดเลยถ้ากลัวลืมจดแล้วทิ้งมันไว้ในสมุดแล้วตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญกับฉันละ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 หรืออย่างง่ายๆโยมเข้ามาวัดเมื่โยมจะเข้ามาวัดอ้าวเข้ามาในวัดเข้ามาในเขตพุทธาวาดัดโยมเข้ามาที่ใต้บทนี้ให้โยมตัดทิ้งให้หมดเลยมาที่นี่ฉันไม่มีแล้วนะพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือลูกๆหน้าทีกาา่การงานทั้งหลายฉันไม่มีละเมื่อฉันมานั่งอยู่ที่นี่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือธรรมะความดีงามหรืออารมณ์กรรมฐานที่ฉันจะปฏิบัติเท่านั้น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 ประการที่สามเข้าหาครูอาจารย์ที่สามารถสอนเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยจงแท้จริงนะสามารถศึกษอนเราได้แล้วก็จากนั้นศึกษากรรมฐานให้เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนต้องถามเลยนะเมื่อเวลาอามาสอนอามาจะถามโยมอาจจะบ่อยชั่งนิดนึงว่าเข้าใจไหมทำไมเข้าใจตรงไหนให้ถามเปิดโอกาสแล้วให้โยมรีบถามเลยนะเอาให้ชัดเจน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 อันนี้ที่ที่สัปายะแหละประการถัดมาประการที่ห้าตัดความกังวลเล็กน้อยตัดความกังวลเล็กน้อยได้แก่อะไรเอ่ยรู้สึกร้อนอาบน้ำอาบท้าสักก่อนมาปฏิบัติเสื้อผ้าก็เปลี่ยน ใ, ให้สบายผมเผ้าตัดให้เรียบร้อยนะผมเผผาหนวดเคราก็ตัดโกน ใ, ให้เรียบร้อยจะได้ไม่รู้สึกลาคานะสถานที่ก็ปัดกวาดเช็ดถใูให้มันสะอาดมันจะได้ไม่รู้สึกําคาน อันนี้เราเรียกว่าตัดปลิกโพดเล็กน้อยจากนั้นจึงเริ่มต้นปฏิบัติตามวิธีการที่เราได้เรียนรู้มาอ่าจจำได้ไม่เอ่ยจำได้นะรักษาศีลตัดปลิโพดเข้าหาครูอาจารย์แล้วก็สแสวงหาสถานที่สับปลายะตัดปลิโพดเล็กน้อยแล้วก็จากนั้นจึงเริ่มลงมือปฏิบัติตามวิถีนี่คือขั้นตอนของการเตรียมตัวนะ ถ้าเตรียมตัวได้อย่างนี้จิตของเราจะสงบได้เร็วนะอย่างที่สองนอกจากเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมจิตให้พร้อมด้วยเตรียมจิตให้พร้อมอย่างไรประการที่หนึ่งให้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะแลวนึกถึงสิ่งที่ดีงามเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและให้ตั้งใจว่าทุกขณะของการปฏิบัตินั้นคือสิ่งที่ดีงามภาษาธรรมะเราเรียกว่ามีศรัทธาหรือมีความเลื่อมใสนั่นเอง นะมีความศรัทธามีศรัทธาหรือมีความเรื่มใส่นั่นเองว่าถ้าจิตเกิดศรัทธาเกิดขึ้นจิตมันจะเกิดความผ่องใสแล้วจะสงบได้ง่ายดังนั้นในการปฏิบัติโดยส่วนใหญ่โยมจะสังเกตเห็นว่าก่อนเริ่มปฏิบัติพระมักจะนําให้โยมไหว้พระสวดมนต์ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้โยมน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะักคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งที่ดีงามเหล่านั้น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 สงบก็ดีดีที่มันสงบไม่สงบก็ดีดีที่เรารู้ว่ามันไม่สงบแสดงว่าสติเราเริ่มจับฐานไม่ดีเหรออย่างนี้ใช่ไหมใช่ตั้งใจว่าอย่างนี้เอาละดีละสติตอนนี้อย่างน้อยสติเราเริ่มจับทานเอาทําไปเรื่อยๆดีละเรากําลังก้าวหน้าเนี่ยแหละเป็นความสุข <c oughs> เป็นคุณลักของความดีงามในใจของเราค่อยๆทําไปมันหลุดออกไปก็ดึงกลับมีความสุขในการดึงกลับเนี่ยแหละการที่ดึงกลับนี่คือการที่เรากําลังต่อสู้กับกิเลสใช่ไหมนี่แหละคือการทําดีละ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 คนที่ปฏิบัติใหม่ๆมากจะทำตรงกันข้ามคืออยากสงบแต่ไม่ค่อยอยากทำทำปุ๊บแล้วอยากจะให้ได้อย่างใจในทันทีเลยภายในวันสองวันหรือภายในนาทีสองนาทีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีคำถามมาถามพระบ่อยๆนั่งแล้วทำไมมันไม่สงบทำยังไงมันจะสงบแล้วตอบอย่างง่ายๆหนึ่งมีความเพียรสองอย่าอยากสงบสามทำไปไเรื่อยมีความสุขในการทำถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่สงบหรอก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 มันไม่คิดหรอกให้อตอนหลับเนี่ยมันไม่คิดแต่เพราะมันคิดไม่ได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่สมาธิด้วยนะลองสังเกตง่ายๆนะอาการมันจะนหนักๆนะพอพ่อนสบายมันจะนหนักๆนะพอเริ่มหนักแล้วเริ่มสับปะโกหรือไม่มันจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์กรรมาฐานเลยบางคนพอมันไม่รู้สึกถึงอารมณ์กรรมาฐานเลยนึกว่าดีอันนั้นคือไม่ดีนะ <S <S นั่นแสดงว่าเราไม่ได้กําหนดอารมณ์กรรมาฐานแล้วนะสติเรากระเจิงไปเรียบร้อยละ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 อาการอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นอาการที่กําลังขาดสติละสติมันไม่ได้ระลึกละตอนนั้นมันมันลอยละนะมันล่องลอยละจิตมันเคว้มันล่องลอยอ้าวเตรียมจิตห้าอย่างมีคําถามไหมอ้าวทบทวนนิดหนึ่งหนึ่งมีศรัทธาสองย่าอยากสงบสามให้อยา ก, ายากทํามีความสุขในการทำสี่ตั้งใจแต่ พอดีห้าทำด้วยความสุขและมีความผ่อนคลายนะความตั้งใจกับความผ่อนคลายนี้ต้องให้สมดุลกันถ้าโยมผ่อนมากเกินมันจะหลับหรือไม่ก็ล่องลอยะถ้ารู้สึกอย่างนั้นให้ยมตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้าโยมตั้งใจมากเกินมันจะเครียดมันจะอึดขัดหรือหายใจติดขัดถ้าอย่างนั้นแสดงตั้งใจมากเกินให้ยมผ่อนลงมานิดหนึ่งจุดสมดุลนี้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 อา้าวมีคำถามไหมการเตรียมจิตในระหว่างปฏิบัติกรรมฐานแล้วแต่วิเรื่องของวิธีการแต่ถ้าการปฏิบัตินั้นอันตมาแนะนำว่าไม่ไม่ต้องสวดมนต์อะไรในใจทั้งสิ้นนะให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นถ้าโยมจะสวดมนต์โยมสวดมนต์อย่างเดียวเจริญพรจะออไปกาหนดสองอย่างไ้พร้อมกันจเจริญพรอ้าวนะคราวนะนี้มาถึงวิธีการบ้าง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 แต่อาศัยประสาทสัมผัสหรือความรู้สึกทางกายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในการปฏิบัติห้ามจินตนาการเป็นรูปภาพไม่ต้องนึกเป็นรูปภาพเข้าใจนะอาวเราลองสังเกตดูวิธีการให้โยมยกมือขวาขึ้นมาประมาณนี้อา้าลองดูเลยนะอา่ายกมือขวาขึ้นมานะเห็นไหมเอ่ยโยมยกแค่นี้พอนะแต่เดี๋ยวอาตมาจะยกสูงหน่อยเพราะว่าคนข้างหลังอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอา่าวนะ เอาจากนั้นโยมขยับมือเล็กน้อยอย่างที่อาตมาทำช้าๆคราวนี้โยมหลับตาหลับตาขยับมือเล็กน้อยโยมรู้สึกว่ามีมืออยู่ไหมมีใครไม่รู้สึกว่ามีมือขวาอยู่บ้างมีไหมโยมต้องขยับมือด้วยนะ ขยับขยับเล็กน้อยตอนนี้ยังขยับอยู่นะชา้าๆไม่ต้องเร็วมากนะโยมรู้สึกว่ามีมือขวาอยู่ไหมรู้สึกไหมรู้สึก น, นะนะรู้สึกกันทุกคนนะอา่าจจำความรู้สึกนี้ไว้นะจินตนาการภาพหรือเปล่าตอนนี้ห้ามนึกเป็นภาพนะรู้สึกยังไงคือแบบนั้นแหละความรู้สึกแบบนี้อา้าวจากนั้นโยมก็ค่อยแบ่มือออกแบ่มือเหยียดออกเลย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 อานะค่อยแบมือออกอา้าลองสังเกตซิความรู้สึกที่เป็นก้นกอนๆนิ้วที่เป็นแท่งๆนั้นมันมีรูปร่างเปลี่ยนยังไงความรู้สึกมันเปลี่ยนไปยังไงอา้าวตอนนี้โย ม, มแบมือแล้วนะเปลี่ยนไหมความรู้สึกในแต่ละขณะใครสังเกตไม่ได้บ้างสังเกตได้ทุกคนนะอา้วาวคนนี้ค่อยกำมือสังเกตความรู้สึกแต่ละขณะเปลี่ยนยังไง อา้าวแล้วตอนนี้โยงกำมือเลยนะเปลี่ยนไหมความรู้สึกเปลี่ยนนะเอาสังเกตต่อค่อยๆแบมือออกช้าๆนะไม่ต้องรีบอา่าวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนนะอาะ่าวแล้ววางมือลงได้แล้วก็ลืมตาความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ใช่อาการเกรงอาการตึงใช่ไหม